เพราะนั้นตอนดูจิตไหลเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นการฝึกที่ขอแนะนํารคคอมเมนตแต่ถ้ายังไม่รู้ให้ดูจิตที่มีกิเลสไปก่อนเอาทักษะในการดูนมามธรรมอันนี้ไปก่อนแล้วถ้าทําได้เห็นจิตมันไหลตอนนี้มันได้ได้แต้มเยอะนะได้แต้มเยอะเคยเล่นเกมเศรษฐีไหมราคาญไม่คนส่งมานะเชิญให้เล่นเกมเศรษฐีนะ เยอะมากเลยนะเมืองไทยจะมีเศรษฐีมากเศรษฐกิจจะดีขึ้นสะสมแต้มเลยนะมันสะสมแต้มแบบเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยสดจิตส่งออกแต่สะสมแต้มจากการที่เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นการสะสมแต้มเพื่อจะไปเป็นผู้ที่ทุกข์สั้นลงทุกน้อยลง